จเจริญพรโยมใครฟังธรรมะหลวงพ่อนะเราจะแข็งแรงอย่างน้อยต้องตื่นมาแต่เช้านะ <laughs> บางคนก็จอดรถอยู่ไกลเดินเข้ามาเป็นกิโลเลยนะอันนี้เห็นจอดรถหยุดใกล้ใกบิ๊กซีก็มีเขเดินออกกําลังตั้งแต่เช้านะแข็งแรงถ้าตื่นเช้าๆแล้วก็มีเวลาเดินทุวันก็จะแข็งแรงนะ ส่วนจิตใจถ้าเรียนธรรมมาแล้วก็แข็งแรงเนี่ยแล้วมีความสุขธรรมมาเป็นของแปลกนะยิ่งศึกษายิ่งมีความสุขแต่ธรรมมาที่เราศึกษาเนี่ยคือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจกายกับใจของเราเป็นตัวทุกข์นะแต่ว่ายิ่งเรารู้ทุกข์เท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขเท่านั้นเป็นเรื่องแปลกถ้าเรายิ่งหนีทุกข์เราเกลียดทุกข์เรารักแต่ความสุข เรายิ่งจมอยู่ในความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถอยู่กับทุกสิกทุกอย่างได้นะอยู่กับสภาวะทั้งหมดเลยที่ปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราอยู่กับมันได้อย่างเป็นกลางเราจะไม่ทุกข์นะสภาวะนั่นเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ด้วยนี่หลวงพ่อเมื่อสองวันนี้มีคนเอาหนังสือไปให้เล่มนึงชื่ออะไรนาะฏนาคารความสุขนี่ของโคศกนี่เป็นคนเขียนเขียนดีนะ เรามีความสุขดีเอาธรรมะมาพูดให้เด็กๆฟังง่ายพวกวัยรุ่นพวกอะไรฟังรู้เรื่องธรรมะแต่ก่อนเนะี่ยตามวัดตามวามีแต่คนแก่เพราะภาษาที่ใช้สื่อสารนะเป็นภาษาโบราณนะเวลาจะเทศ่จะต้องทำเสียงให้มันเคลิมง่ายนะลองพูดช้าๆหลวงพ่อทำไม่เป็นนะนะีคุณมนต์หวังว่าหลวงพ่อจะทาให้ฟังนะเลยไม่ทาหรอก นะหลวงพ่อมาเทศก็ใช้ภาษาที่มันคล่องแคล่วว่องไวขึ้ น, นะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มตามภาษาเด็กสมัยใหม่ไม่ทันแล้วไม่รู้ว่ามันพูดอะไระฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะภาษามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่กิเลสคนนี่มันเหมือนเดิมกี่ยุกกี่สมัยนะกิเลสมันก็หน้าตาเหมือนเดิมแหลนะ ก็มีแค่ราคะโทสะโมหะมีอยู่สามตัวนี้แหละหมุนเวียนกันอยู่คลองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทำไงเราจะรู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำใจเราเราหาความสุขไม่ได้ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลส ท, ที่มันหมุนเวียนเข้ามาใน ใ, นใจนะกิเลสครอบงำใจไม่ได้จิตใจก็มีความสุขแล้กิเลสมันจะหมุนเวียนเข้ามาใ น, ในใจได้ยังไงห้ามมันได้ไหมไม่ได้ เพราะอะไรเพราะใจนั่นแหละเป็นคนปรุงกิเลสขึ้นมาใจของเราสร้างกิเลสขึ้นมานะเมื mm ่อ hmm. เราหัดภาวนาดูจิตดูใจไปถึงช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยเวลาตามองเห็นรูปใจเราคิดว่าไอ้นี่ไม่ดีนี่คือศัตรูเราเนี่ยโทสะก็เกิดเห็นไหมเราคิดขึ้นมาเองใจมันปรุงกิเลสขึ้นมาเองมันปรุงโทสะขึ้นมาหรือเรามองเห็นสาวมันสวยเราก็คิดนะมันสวยจังเลยเนี่ย ใจมันก็ปรุงราคาขึ้นมาตามหลังความคิดของเรามาเองพระพุทธเจ้าท่านเคยตอบคำถามมีคนถามท่านว่าพระองค์มีการมาราคะไหมท่านบอกท่านไม่มีการมาราคะเพราะท่านไม่มีกามาวิตกท่านไม่คิดนะทนองเดียวกันถ้าถามว่าท่านจะมีพยาบาทมีโทสะไหมท่านไม่มีเพราะไม่มีพยาบาทวิตกนั้นตรงที่ใจเราหลงไปคิดเนี่ยตรงที่ใจมันหลงไปคิดเนี่ยมันมีโมหะ หลงไปคิดแล้วมันก็เกิดราคะบ้างเกิดโทสะขึ้นมาบ้างใจเราเองนะปรุงมันขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาแล้วราคะโทสะโมหะทั้งหลายนั่นเองกลับมาย้อมใจเรากลับมาปรุงใจเราเช่นใจเราปรุงโทสะขึ้นมานะโทสะมาครอบงําเราทําให้เกิดพฤติกรรมทางใจขึ้นก่อนนะเช่นอยากด่าเขาเนี่ยถ้าเกิดพฤติกรรมทางวาจาไปด่าเขาเกิดพฤติกรรมทางใจนะ อยากชกเขาเนี่ยก็เกิดพฤติกรรมทางกายไปชกเขาฉะนั้นมันก็เกิดการกระทำขึ้นมาเพราะอำนาจกิเลสมันมาครอบงำแปลกดีไหมเราสร้างกิเลสขึ้นมาเองแล้วเราก็ถูกมันครอบงำเสเองน่าสงสารน่าสงสารนะน่า ส, สลดสังเวช ท, ที่สุดทำยังไงเราจะไม่ไม่ตกเป็นทาสของมันขั้นแรกเลยจะไม่ให้ปรุงเนี่ยไม่ได้ เพราะเรามีอนุสัยเราเคยปรุงมาจนชํานาญอนุสัยเป็นความเคยชินฝ่ายชั่วเราเคยถูกกิเลสครอบงํามานานจนใจเราคุ้นเคยกับความชั่วเพราะงั้นมันมีอนุสัยสะสมอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานะจริงจริงมันเก็บไว้ในผวางขจิตนะภาษาสมัยใหม่ชอบไปเรียกจิตใต้สํานึกเพราะตอนนั้นไม่ขึ้นวิถีมาสํานึกมันก็ภาวานุโลมนะ นี่พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยอนุสัยมันทํางานมันกระทบอารมณ์ซึ่งจิตใจมันวิเคราะห์แล้วว่านี่อารมณ์ดีราคะก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาจากราคะอนุสัยมีอนุสัยที่เป็นราคะสะสมมานานชํานาญที่จะมีราคะราคะก็เกิดกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนะพิจรารณาจิตมันพิจารณาแล้วนี่ไม่ดี อนุสัยคือปฏิคารู้ใส่อนุสัยคือความชี้โมโหก็ผุดขึ้นมากลายเป็นโทสะพอกิเลสผุดขึ้นมาแล้วมันครอบงำจิตจิตทำงานตามอำนาจวงการของกิเลสกิเลสจะยิ่งมีแรงพอกิเลสตัวนั้นดับไปเนี่ยมันไม่ได้ดับเปล่าๆมันได้เซฟข้อมูลลงไปในภวังคขจิตอีก ตรงที่จิตขึ้นมารับอารมณ์ขึ้นมาเซฟอารมณ์ขึ้นมากระทำกรรมทั้งหลายเนี่ยจิตกลุ่มนี้เขาเรียกว่าชาวนะจิตพอมันทำกรรมตามสมควรแล้วนะมันจะเริ่มเซฟตัวเองตัวนี้เรียกว่าตาธาลำพนะจิตเราไม่จำเป็นต้องจำชื่อนะมันคล้ายๆตอนเราปิดคอมพิวเตอร์ตอนชัดดาวนะเทิร์นออฟเลยเนี้ยมมันจะทำงานอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะปิดตัวเองลงไปจิตก็ทาแบบนั้น พอจิตขึ้นวิถีมาทํางานมาเสพอารมณ์เต็มที่แล้วนะมันจะเริ่มสะสมแล้วสรุปต่างๆสะสมเอาไว้สะสมอาไว้เป็นวิบากนะวิบากนั้นถ้าเป็นฝ่ายความเคยชินทางชั่วเรียกอนุสัยถ้าเป็นความเคยชินทางดีก็เรียกว่าบารมีมันเก็บหมดนะทั้งดีและชั่วสะสมไปเรื่อยๆนะต่อไปเวลามันกระทบอารมณ์ใหม่เนี่ยถ้ามีบารมีมากนะคุณงามความดีมันทํางานขึ้นมา ถ้าอนุสัยมันรุนแรงอนุสัยมันก็ทำงานขึ้นมาทำไมบางคนมันขี้โมโหบ่อยทำไมบางคนถูกด่าเท่าๆกันมันเกิดสงสารคนที่มาด่าเราเพราะว่ามันสะสมมาไม่เหมือนกันเราเป็นหรือเราทำนะอย่างที่เราทำของเราเองไม่มีใครมาบงการเราจิตใจของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตเป็นอนัตตานะแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เราสั่งให้จิตดีไม่ได้ แต่เราฝึกฝนให้จิตดีได้เราห้ามจิตไม่ให้ชั่วได้แต่เราฝึกตัวเองได้ฝึกจิตได้วิธีฝึกจิตที่จะไม่ให้หลงไปตามความช <this> ั่ววิธีฝึกจิตที่จะให้มันมีคุณงามความดีก็คือการมีสตินั่นเองทันทีที่เรามีสติอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีทันทีที่เรามีสติอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่เรามีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสตินั่นแหละเป็นตัวกุศล ทันทีที่เรามีสตินะสติเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจิตจะคุ้นเคยที่จะมีสติคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวบ่อยพวกเราหัดใหม่ๆสังเกตไม่นานมากเลยกว่าจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งนะเพราะสติไม่คุ้นเคยที่จะเกิดนะต่อมาเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยนะสติเกิดบ่อย ขยับตัววับสติก็เกิดเวทนาเกิดวับสติก็เกิดกุศลอกุศลเกิดวับสติก็เกิดจิตเคลื่อนไหวปั๊บสติก็เกิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันคุ้นเคยงั้นอยู่ที่เราสร้างความเคยชินที่ดีๆขึ้นมานะพยายามรู้สึกตัวยาวแต่หลงอย่างเดียวห <Order. S 1> ลงมานานแล้วหลงมานานแล้วไม่เห็นว่ามันจะมีความสุขที่แท้จริงเลยเราแต่ละคนปรารถนาความสุขด้วยกันทุกคนตะเกียกตะกายหาความสุขด้วยกันทุกคน แต่ความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขมันปรากฏอยู่ข้างหน้าเหมือนเหมือนจะหยิบเอาไว้ได้แต่พอเอื้อมมือไปหยิบมันก็เลื่อนหนีไปละมันไปรออยู่ข้างหน้าหลอกให้เราวิ่งต่อไปอีกนั้นเราเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆโดยที่เราไร้ทิศทางเราต้องฝึกสตินะฝึกสติรู้ทันลงไปถ้ากิเลสเกิดเรามีสติรู้ทนันกิเลสดับทันทีเลยจิตใจก็มีความสุขทันทีเลยง่ายขนาดนั้น ถัดจากนั้นนะฝึกไปเรื่อยทีแรกรู้สึกตัวก็มีความสุขแต่มาพอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวตรงนี้เลือกไม่ได้นะพอรู้สึกตัวแล้วบางครั้งก็รู้กายบางครั้งรู้เวทนาบางครั้งรู้จิตเราเลือกไม่ได้นะเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นมันอะไร จ, ะจิตจะไปรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็แสดงใจรักเท่าเท่ากัน บางครั้งมันก็ไปรู้กายมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายมันเป็นวัตถุธาตุร่างกายเป็นสิ่งซึ่งถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งสติไปะระลึกรู้จิตเนี่ยมันก็จะเห็นเลยจิตไม่เที่ยงจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นจิตเป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นี่เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะ มีจำนวนเป็นพันๆแล้วที่ก้าวขึ้นมาสู่ระดับที่เกิดปัญญาปัญญามีเป็นลำดับลาดับไปนะเบื้องต้นให้รู้สึกตัวเป็นก่อนหลายคนเคยฝึกอะไรต่ออะไรมามากมายแต่สิ่งที่ฝึกมาส่วนใหญ่คือการเพ่งไม่เพ่งกายก็เพ่งจิตเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องนะเพ่งใจให้นิ่งเพ่งใจให้ว่างจิตใจที่เราไปเพ่งเอาไว้นะ มันจะเดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะเวลาเราเพ่งแล้วมันจะนิ่งกายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งทำอะไรก็ผิดธรรมดาเพราะมันนิ่งมันไม่มีไตรลักให้ดูงั้นไปเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆคนไหนติดเพ่งนะีหลวงพ่อต้องคอยคุยคอย แ, แคะบางทีก็ค่อนขอดนะตัวคอร์ควายทั้งนั้นเลยเพราะคุยกับวายนะต้องคุยต้องแคะต้องคอนขอดนะนะจนกระทั่งใจหลุดออกมาจากการเพง่งหลุดออกมา พอจิตใจหลุดออกมาแล้วจะพบว่าจิตใจชนิดนี้นะมันเหมือนจิตใจของเราตอนเด็กๆซึ่งเรายังภาวนาไม่เป็นดุสีกลับมาเป็นเด็กที่ภาวนาไม่เป็นนะตอนที่เราไปหัดภาวนาเราไปหัดเพ่งอะไรนะั้นเราทำอะไรที่เกินธรรมดาไปแล้วเราต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ธรรมดามดตานะต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาใจเราจะแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ตามปกติแกว่งได้อย่างอิสระ ความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติน่ะไม่ใช่ต่างกันที่ว่าจิตดีกว่ากันไม่ใช่จิตสงบกว่าการจิตนิ่งกว่ากันแต่ความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติก็คือผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้เลยว่าจิตนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัตินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกพอเรารู้สึกกายรู้สึกใจมากๆนะ ถึงจุดนึงใจมันตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจถึงจุดหนึ htaking, enrolled, ่งเกิดรู้สึกกายรู้สึกใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกตรงที่จิตไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเนี่ยนะเรียกว่ามันมีสติตัวจริงที่หลวงพ่อใช้คำว่าสติตัวจริงจะเรียกว่าสัมมาสติมันก็ไม่เชิงเพราะสัมมาสติจะต้องเกิดในอริยมรรคตัวนี้ไม่รู<ต>้จะเรียกอะไรนะขอเรียกมั่วๆไปก่อนว่าสติตัวจริงมีสติตัวปลอมนี่เยอะนะ ตัวปลอมพอเกิดสติตัวปลอมเราก็วางฟอร์มกลายเป็นมนุษย์ตัวปลอมนะสังเกตไหมเวลาเราคุยกับคนอื่นเราต้องวางฟอร์มเราเป็นมนุษย์ตัวปลอมแล้วนะเช่นเนี้ยหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อพูดอะไรต้องสำรวม น, ะนี่นี่หลวงพ่อตัวปลอมกําลังพูดนะอถ้าหลวงพ่อตัวจริงก็ต้องทนนีนะนะ้เพราะอะไรเพราะวาสนาเราเป็นอย่างนี้เราพูดเร็ว เราไม่ได้พูดช้าครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพูดช้าตัวจริงของท่านพูดช้าๆนะถ้าท่านมาพูดเร็วอย่างหลวงพ่อผิดสปีดนี่ก็ตัวปลอมเหมือนกันนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกิริยาท่าทางคําพูดคําจาไม่เหมือนกันหรอกนี่ถ้าสติจริงๆมันเกิดถ้าเราหัดดูไปเรื่อยหัดดูสภาวะไปเรื่อยมันโลภขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันหลงไปก็รู้นะมันฟุ้งซ่านก็รู้มันหดหูก็รู้มันสงสัยขึ้นมาก็รู้ มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันเฉยๆก็รู้นะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนก็รู้มันหายใจออกมันหายใจเข้าก็รู้เนี่ยคอยรู้สึกวนเวียนอยู่ในกายในใจของเราไปเรื่อยๆเราไปสติเกิดเองถึงจุดหนึ่งนะมันไม่ได้เจตนาเลยสติเกิดขึ้นมาปั๊บนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เองเพราะในขณะที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตจะมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขนะจิตจะมีสมาธิขึ้นมาถ้ามันมีความสุขมี สติขึ้นมาเพราะการรู้กายรู้ใจนะสมาธิอันนั้นก็จะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจเรียกว่ามีสัมมาสมาธิใจมันตั้งมั่นที่จริงก็เป็นสมาธิชั้นดีนะสัมมาสมาธิแท้ๆก็เกิดในอริยมังกอีกนั่นแหละนี่พอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยโดยที่ไม่ได้เจตนาเลยถ้าสติระลึกรู้กายนะจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะ ตอนนี้คนที่เห็นอย่างนี้ได้ไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อมีทุกวันอนะ่ะวันหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยนะบางคนนั่งอาบน้ําอยู่นะถูตัวยืนนะส่วนมากก็ยืนนะถ้าแก่หน่อยก็นั่งอาบนะถูๆไปนะรู้สึกนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะบางคนส่องกระจกอยู่นะจะแต่งหน้าจะหวีผมเฮ้ยนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่ตัวเราลนะะบางคนขยับมือขึ้นมาเห็นมือนี่มันอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแท่งๆมีแฉกๆด้วยทําไมนิ้วมือต้องมีอย่างนี้นะ มันจะรู้สึกบางคนนอนอยู่เมื่อวานก็มีคนหนึ่งนอนอยู่เฉยๆแล้วพอตื่นนอนขึ้นมานะเห็นร่างกายมันนอนนะใจมันเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนอนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นการที่เราสามารถแยกกายกับจิตออกจากกันเนี่ยจิตมันมีสตินะมีสัมมาสมาธิพอมีสติมีสัมมาส ม, มาธิมันเริ่มเกิดปัญญาปัญญาอันที่หนึ่งเลยปัญญาเบสิกที่สุดเลยนะคือการแยกรูปกับนาม เรียกว่านำรูปปริเฉทญาณนะมันจะรู้สึกเลยนำอยู่ส่วนหนึง่งรูปอยู่ส่วนหนึง่งเราจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึง่งทันทีที่แยกขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจนี้ส่วนมากจะเห็นกายก่อนนะจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าถัดจากนั้นก็จะเริ่มเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตแต่สังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราขันห้าเนี่ยเริ่มกระจายตัวออกไปทําไมต้องดูขันห้าให้กระจายตัวออกไป เพราะศาสตร์แห่งการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาพุทธเนี่ยปฏิบัติเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราตัวเราที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการประชุมกันของขันห้าแล้วก็มีสัญญาและใจเข้าไปครอบครองอยูนะ่มีใจครอบครองอยู่ยังไม่ตายก็นะจะรู้สึกเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของขันห้าขึ้นมาแล้วมีสัญญาเข้าไปหมายว่านี่เป็นตัวเรา สัญญาที่เข้าไปหมายว่าขันห้าเป็นตัวเรานะเพราะไปมองมันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าสัญญาวิปปลาดเป็นไงพวกสัญญาวิปปลาดนะปูุ่ชนทั้งหมดสัญญาวิปปลาดนะไม่ได้แปลว่าบ้านะแต่ว่าเห็นไม่ตรงความจริงหมายรู้ผิดๆเราไปหมายรู้เอาก้อนธาตุเนี้ยเป็นสมบัติของโลกนะวัตถุธ า, าตุก้อนเนี้ยเราไปหมายาว่าเป็นตัวเรานี่นี่คือร่างกายเรานี่เรียกว่าวิปปลาดเราไปหมายผิดๆเนี ของไม่ใช่ตัวเองนะเป็นของของโลกนะเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งในโลกเราไปสําคัญนั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมานี่เพราะว่าวิปลาสนะนี่จะทําลายวิปลาสนะต้องจับสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยกระจายออกไปเรียกว่าวิพัฒชวิธีนะศาสนาพุทธการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมีวิพัฒชวิธีไม่ใช่วิพาษดวิธีนะมีพาดวิธีไดอะลกติกนะเป็นวิธีของเฮเกลของมาร์กนะ ของชาวพุทธนี่วิพัฒชวิตีจับแยกออกไปเหมือนเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ามีรถยนต์อย่างแท้จริงนะพอจับมาถอดเป็นชิ้นช้นใช่ไหมไอ้นี่ลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถใช่ไหมไอ้นี่พวงมาลัยพวงมาลัยไม่ใช่รถนี่ตัวถังตัวถังก็ไม่ใช่รถนะถ้าทุกอย่างมารวมกันแล้วมีรถขึ้นมานะหรือบ้านใช่ไหมพอจับถอดเป็นชิ้นชิ้นจะไม่มีบ้านไอ้นี่คือหลังคานี่คือเสาไอ้นี่คือพื้นนี่คือวงกบนี่ประตูหน้าต่างนะ นี่มุ้งลวดเหล็กดัดอะไรต่ออะไรพอจับถอดเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าบ้านหายไปนะเวลาที่เราเรียนลงมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี้แหละถ้าเรามีสติจริงๆมีสัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นขึ้นจริงๆนะสติระลึกลงไปรู้กายรู้ใจเราจะเห็นมันแยกส่วนกันกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายกับจิตแยกออกจากกันนะเหมือนมีช่องว่างมาขัน้นไม่ใช่อันเดียวกันอีกต่อไปละเวทนากับจิต ก็แยกส่วนกันเหมือนมีช่องว่างมาขั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันอีกแล้วนะแล้วก็กูสนและอกูศนทั้งหลายแล้วก็แยกออกไปจากจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะเดี๋ยวก็ถูกกูศนครอบงำเดี๋ยวก็ถูกอกูศนครอบงานะเดี๋ยวก็ไม่ถูกอะไรครอบงำตรงกี้ไม่ถูกอะไรครอบงำนี้น้อยเต็มจีนะจะเกิดตอนเกิดอริยมรรคเท่านั้นแหละอริยมรรคอริยผลนะ ส่วนมากก็ถูกครอบงาทั้งนั้นนะเนี่ยเราคอยรู้คอยดูนะเบื้องต้นจะเห็นก่อนว่ามันกระจายกระจายแล้วจะให้เห็นอะไรเราจะเห็นว่าแต่ละตัวนั้นนะไม่ใช่ตัวเรานี่เห็นสภาวะธรรมใช่ทีแรกมีตัวอันเดียวเป็นตัวเราพอแยกส่วนกายเวทนา จิตทําแยกออกมาหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกจากกันรูปจะไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวแต่ละตัวจะไม่ใช่เราแล้วแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนี่เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งปัญญาตัวนี้เรียกว่าปัจจยปริคหายาณรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้เกิดลอยๆสภาวะธรรมทั้งหลายมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิด นะมีเหตุแล้วเกิดขึ้นมาหมดเหตุแล้วก็ดับไปเนะนี่ยเริ่มเห็นอย่างนี้นะสักพักหนึ่งดูไปเรื่อยๆปัญญาก็จะประณีตลึกซึ้งขึ้นไปจะเริ่มรู้แล้วว่าเออทั้งกายทั้งใจนี่เป็นไตรลักษณ์นะเนี่ยอย่างเรารู้สึกไหมร่างกายเราวันนี้กับร่างกายของเราตอนเด็กๆไม่เหมือนเดิมเนะี่ยอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะอันนี้เรียกว่าสัมมาสาาัญญาเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดด้วยการตรึกตรองด้วยการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาเราปีกลายไม่เหมือนกันเปรียบเทียบว่าจิตใจของเราวันนี้กับจิตใจของเราเมื่อวานไม่เหมือนกันนะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นมีปัสนาเลยใช่ไหมวิปัสสนายากนะไม่ใช่ง่าย น, ะนเราก็ตามรู้ตามดูไปอีกนะมีสติบ้างขาดสติบ้างใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิบ้างใจเป็นมิจฉาสมาธิบ้างหลงไปบ้างไนะหลไปไหลามาไปเพ่งบ้างเผลอไปบ้างรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาบ้าง ทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะถึงจุดซึ่งสติแล้วก็สัมมาสามาธิมันมีแรงพอมันจะเริ่มเห็นความเกิดดับนะเช่นเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาคั่นนะมีช่องว่างมาคั่นเราจะพบเลยจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยเป็นคนละดวงกันอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสันตติขาดนะถ้าเมไร่ภาวนาจนเห็นสันตติขาดเมื่อนั้นขึ้นมีปัจสนาจริงๆแล้วนะ อย่าตกใจนะฟังแล้วเหมือนยากแต่เวลาปฏิบัติจริงบางคนพวกๆเดียวทะลุเลยนะเหมือนตกต้นไม้นะไม่ทันนับว่าผ่านกิ่งไม้มากี่กิ่งแล้วถึงพื้นตุ้บเลยนะเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะหลวงพ่อพูดให้ฟังละเอียดนิดหน่อยเพราะเราเรียนธรรมะที่นี่เรียนมาพอสมควรแล้วบางคนมาบ่นหลวงพ่อว่ามาสอนที่นี่หาความเข้มข้นไม่ได้เลยต้องไปฟังที่วัดถึงจะเข้มข้นนะแต่เดิมเข้มข้นไม่ได้นะพวกเรา เข้าใจไม่ได้ตอนนี้คนจนํานวนมากที่ฟังแล้วฟังอีกเนี่ยเข้าใจเป็นแล้วก็ฟังธรรมะที่มันประณีตขึ้นไปได้ถัดจากนั้นน่าเราดูหรอกอีกเราจะเห็นสภาวาะแต่ละอันเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปแต่เป็นโคนลนโคนลนอย่างเราขยับมือเราจะเห็นมันเกิดดับเหมือนรูปกระตูนเลยนะเห็นดับชุบๆะะะเป็นช็อตๆไปเลยนะนเห็นอย่างนีน้พอเห็นมากเข้ามากเข้าต่อไปใจเริ่มตัวเราหายไปไหน เริ่มตกใจนะตัวเราหายไปไหนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราหายไปไหนอืพอคนภาวนามาถึงตัวนี้เริ่มตกใจบางคนรู้สึกกลัวบางคนรู้สึกโงงโงงเวงิร์งว้างว่างเปล่าชีวิตนี้ไรทิศทางและชีวิตนี้ไม่รู้จะอยู่ทําอะไรแล้วนะว่างเปล่าต่อไปนี้จะหาความอริยอร่อยที่ไหนล่ะทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดด้วยอริยมรรคเลยนะมันไปนเกิดจากความรักตัวเอง นะยังเป็นความรักตัวเองบางคนเบื่อนะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีและชั่วเท่าๆกันเบื่อหยาบและละเอียดเบื่อกูศ่วนอกูศลเบื่อภายในและภายนอกเบื่อไปหมดเลยนะใจนี้จืดเรียกว่าเป็นคนใจจืดแต่ไม่ใจดำํำนะเป็นคนใจจืดแต่ใจสว่างนะไม่ใ จ, ใจไม่ใจดำนะใจตรงนี้มีนิพพิทาเห็นโลกนี้นะจืดชืดนะเนี่ยตอนนี้ที่วัดมีคนไปส่งกันบ้านถึงตรงนี้ก็เยอะนะ มองโลกนี่ดูแบนๆไปหมดบางคนบรรยายไม่เป็นนะบอกผมเห็นโลกแบนๆไปหมดเลยเ น, นี่ยหลวงปู่มั่นเคยพูดนะว่าภาวนาแล้วเห็นโลกราบเป็นหน้ากลองนี่ผมเห็นโลกแบนๆก็คนนั่งหัวโดดๆอยู่เนี่ยก็บอกว่าแบนๆมันแบนทั้งๆ ท, งที่โดนี่แหละนะบางคนก็รู้สึกว่ามันว่างๆไม่มีอะไรเลยมีอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยนะว่างๆนี่ใจมันเห็นอย่างนี้ น, นี่นมันเห็นของมันเองนะ ถ้าเห็นแล้วยังรับไม่ได้มันจะรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมานะจุดชืดเซ็งนะกลัวแล้วแต่จะรู้สึกนะถ้ามีสติต่อไปอีกอย่าเลิกปฏิบัตินะมาตรงนี้ได้ครึ่งทางแล้วให้ดูต่อไปอีกเราก็จะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายเช่นความกลัวความม่ว ง, ว, ง, ว, งว่างว่างเปล่าความเบื่ออะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้ีก็ยังเป็นความปรุงแต่งเป็นความรู้สึกที่ปรุงขึ้นมาอีกพอเรารู้ทันนะมันจะดับไป พอมันดับไปแล้วนะคราวนี้ใจจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างดีแล้วเริ่มเห็นแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นแล้วมันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเรานะหลายคนที่ฝึกนะจกนกระทั่งนอนหลับไปขนาดหลับฝึกเชื่อหลวงพ่อไปเรื่อยๆสติเราจะมาหาศาลเลยทียิบไปหมดเลยนอนหลับอยู่นี่พลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกตัวทั้งคืนเลยแล้วรู้สึกด้วยว่าสั่งมันไม่ได้จริงร่างกายเนี่ยสั่งมันไม่ได้จริงนะเพราะตอนนั้นสมองไม่ได้ทํางานจิตสั่ง จิตสั่งร่างกายโดยตรงร่างกายไม่เอาด้วยครอกนะอาศัยสมองเป็นทางผ่านเราจะเริ่มรู้สึกแล้วเออร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นนะนอนอยู่ก็ทุกขนะ์นั่งยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเห็นได้ใจที่เป็นกลางนะ จิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆพอเผลอขึ้นมาก็มีตัวเราพอมีสติขึ้นมาตัวเราก็หายไปแต่ไม่กลัวละคราวนี้ไม่กลัวละดูไปดูไปในสุดปัญญามันเริ่มแจ้งขึ้นมานะมันจะเห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ พอใจมันรู้ตรงนี้ใจไม่ยอมรับตรงนี้นะความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปรักษาม ah. ันหรือความสุขไม่เกิดจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปแสวงหามันความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดนะไม่ดิ้นรนที่จะผลักดันมันหรือความทุกข์ยังไม่เกิดนะก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปป้องกันมันจิตหมดการดิ้นรนจิตหมดความปลุงแต่งจิตหมดการทํางานจิตเหลือแต่คําว่ารู้แล้วสักว่ารู้ เมื่อรู้แล้วสักว่ารู้เนี่ยจิตไม่ปรุงอะไรต่อนะจะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเหมือนเราดูหนังนะเห็นภาพในจอหนังผ่านไปเรื่อยๆในใจก็รู้อย่างแจ่มแจ้งเลยว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเองนะคนดูหนังแล้วอินใช่ไหมก็รู้สึกว่ามีพระเอกมีนางเอกจริงๆถ้าไม่อินก็รู้ว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตานะเมื่อเราจเจริญสติจเจริญปัญญามาถึงจุดที่หลวงพ่อว่านี้แล้วนะมันจะเห็นว่า ปรากฏการทั้งหลายที่ไหลผ่านมานี้เป็นแค่ภาพหลวงตาเท่านั้นเองใจจะไม่อินเข้าไปใจไม่ไมดิ้นรนไม่ปรุงแตง่งเมื่อใจไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะสติปัญญาเราแก่รอบพอเนี่ยจิตจะรวมลงอัปปนาสมาธิรวมด้วยตัวเองตรงที่จิตรวมลงอัปปนาสมาธินี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิดกระบวนการของอริยมรรค อริยมรรคจะเกิดไม่ได้ถ้าปราศจากสัมมาสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิในระดับฌานเพราะอะไรเพราะอัปปนาสมาธินะเรียกว่าเอกคตาเจตสิกแต่ไม่ใช่เอกคตากระจกนะเอกคตานี้พัฒนามาเต็มเหนียวแล้วเอกขตาเจตสิกเนี่ยมีหน้าที่เป็นที่ประชุมเป็นที่รวบรวมองค์มรรคทั้งหลายที่เหลือคืออีกเจตัวนั่นเอง พอมันรวมมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไปเกิดขึ้นที่ไหนสัมมาสมาธิเกิดขึ้นที่จิตไม่ใช่เกิดขึ้นที่อื่นนะพอเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยทีแรกจิตยังส่งกระแสออกไปจิตมันเคยชินที่จะส่งกระแสออกไปรู้อารมณ์ภายนอกเพรา ะ, ะั้นพอรวมลงมาเนี่ยช่วงขณะแรกนะมันยังถ่ายทอดกระแสของความรับรู้ออกไปรู้สภาวะภายนอกแต่มันรู้แล้วสักว่ารู้อย่างแท้จริงครานี้รู้อยู่ในอัปปนาสมาธินะ รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติสักนิดเดียวเลยตรงนี้ขั้นไม่มีสมมุติบัญญัติแล้วจิตจะมีขันติอย่างยิ่งคือจิตเน้นนะจะมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเราจิตไม่ถูกอะไรมาเราให้วิ่งเตลิดเปิดเปล่งออกไปอีกนะแต่มันแค่ส่งกระแสออกไปตัวมันอยู่นี่นะตั้งมั่นขึ้นมานะแลต่มันยังส่งกระแสออกไปเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราลืมตานะเรามีกระแสแห่งความรับรู้ไหลออกไปทางตา พอไปเห็นสภาวะเกิดดับนะบางคนเห็นสองขณะบางคนเห็นสมขณะนะแล้วก็แจ้งอริยสัจขึ้นมานะนี่ถูกทั้งนั้นมันจะทวนกระแสนะมันจะตัดะกระแสที่ส่งออกไปมันจะทวนเข้าห า, าธาตุรู้ทวนกลับเข้ามาหาจิตนั่นเองหลวงปู่ดูลถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเพราะมันทวนเข้ามาถึงจิตถึงใจนี่นะคราวนี้แหละสัมมาสมาธินะมันจะประชุมองค์ธรรมฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยเข้าด้วยกันคล้ายๆอย่างเรื่องโปรยเสียนนะ คล้ายๆเรื่องโปรยเสียนมี8ตัวเท่ากับมร์กเลยนะเสียนตัวใดตัวหนึ่งสู้ปีาศาจไม่ได้ต้อง8ตัวรวมกําลังเป็นหนึ่งนะถึงจะสู้ได้ใช่ไหมจิตนี้ก็เหมือนกันนะองค์ของมร์กทั้งหลายเนี่ยถ้าต่างคนต่างกระจัดกระจายอยู่ไม่มีพลังที่จะไปสู้กับสังโยชน์ได้หรอกนะแต่ถ้ามันรวมลงที่จิตอันเดียวนี่แหละนะรวมพลังของมร์กทั้งหมดเลยรวมทั้งโพธิปักคีย์ธรรมสามสประการนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้ง37นะตั้งแต่3า กว่าขึ้นไปเนี่ยประชุมลงที่จิตในขณะจิตเดียวกันนะั้นมีพลังที่จะทำลายล้างวัตจักนี้นะเบื้องต้นทำลายไม่ได้จริงนะแค่กรีดมันขาดออกไปเหมือนเราเอาไม้อันนึงกรีดลงไปบนผิวน้ำนนะมันแหวกออกไปมันแหวกได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็กลับมาปิดอีกนะกรีดครั้งที่สองเอาไม้กรีดสั้นไปเอาเล็กไปนะครั้งที่สองพลังมันรุนแรงยิ่งขึ้นนะมันก็ทางออกไปมากขึ้นนะแล้วก็กลับมาปิดอีก ครั้งที่สามนะมันเหมือนครั้งที่สาก็แรงขึ้นนะครั้งที่4เนี่ยมันเหมือนถล่มทลายโลกเลยนะวัตจักรมันจะคว่ําลงไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาปิดอีกละจิตซึ่งมันไม่ถูกอะไรปิดเนี่ยมันจะดีดตัวผางขึ้นมานะเต็มโล ก, กาธาตุเลยนะในภาษาปริยัติเรียกว่าวิมาริยาที่กัดจิตจิตนี้ใหญ่เต็มโลกาธาตุนะไม่มีอะไรครอบงําอีกเมื่อมันเต็มโลกาธาตุแล้วไม่มีการไปไม่มีการมาใช่ไหมที่มันไปไ ป, ไ ป, ไปมามได้เพราะมันเล็ก ถ้ามันใหญ่เต็มอย่างหลวงพ่อตัวใหญ่สมมุติหลวงพ่ออ้วนเต็มสลาลานี้นะหลวงพ่อจะกระดิกไปไหนไม่ได้แล้วพ่อเต็มแล้วจิตเหมือนกันนะพอจิตนี้มันปราศจากสิ่งห่อหุ้มแล้วมันกระจายเป็นเนื้อเดียวกับจารวาลเลยนะมันจะไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอีกแล้วนะไม่มีการไปไม่มีการมาที่สําคัญนะไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งมันได้อีกละแต่เดิมเห็นไหมกิเลสมันเข้ามาปรุงแต่งได้พวกเรารู้สึกไหมกิเลสมาปรุงแต่งจิตได้ เมื่อเราภาวนาจนสุดขีดนะมันทําลายวัตจักรลงไปแล้วทําลายสิ่งห่อหุ้มทำลายอาสวะลงไปแล้วอาสวะกิเลสนี่แหละเป็นทางผ่านให้กิเลสทั้งหลายเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตไดนะ้พอตรงที่เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งแล้วมันทำลายอาสวะกิเลสลงไปนะทําลายสังโยชน์ลงไปไม่มีช่องเชื่อมต่อให้กิเลสจับเข้อใหม่แล้วนะแล้วมันขุดคุ้ยลงไปจนถึงภาวางขจิตนะทําลายลงไปถึงตรงนั้นเลยอนุสัยทั้งหลายสลายตัวไปหมดเลย งั้นในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้พบความอัศจรรย์ในความเป็นจริงเมื่อได้ศึกษาธรรมะเป็นลําดับลําดับเราได้พบความอัศจรรย์เป็นลําดับลําดับอยู่แล้วอย่างคนซึ่งเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมาบอกหลวงพ่อจํานวนมากเลยว่ามันอัศจรรย์จริงๆชีวิตนะเคยนึกว่ารู้สึกตัวตลอดเวลาบัดนี้ได้รู้ความจริงแล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลย หลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลานะจนกระทั่งวันซึ่งสติตัวจริงเกิดขึ้นมาถึงได้รู้ว่าหลงอยู่ในโลกของความฝันหลงในโลกของความคิดตลอดมาไม่เคยตื่นนะพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอัศจรรย์ทําไมมันโปร่งมันโล่งมันเบาทําไมมันมีความสุขนะแต่ว่าเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะเพราะสติก็ดีสมาธิก็ดียังเป็นสังขารอยู่เป็นของที่เสื่อมอยู่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะ เกอต้องเจริญสติเจริญปัญญาต่อไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อพูดทุกวันทุกวันนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจจนเห็นความจริงของมันรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าเข้าไปแทรกแสงอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนะให้ยอมรับสภาพทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเรารู้แล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นนะรู้อย่างเป็นกลางนะรู้แล้วไม่แทรกแสงวันหนึ่งปัญญาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมานะเราจะพบความอัศจรรย์เป็นลําดับลําดับนะวันซึ่ง เข้าใจธรรมะเบื้องต้นนะก็อัศจรรย์เต็มทีแล้วเออตัวเราไม่มีจริงๆนะทำไมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมองลงมาทีไรนะกลวงๆนะไม่มีตัวเราพวกเราลองมองลงมาทึบๆหนักๆรู้สึกไหมมองเข้ามาในใจของเราเนี่ยทึบๆหนักๆทาไมมันหนักทําไมมันแน่นทําไมมันหนาทําไมมันเหนียวนะก็มันเป็นปูทุชนน่ะสนะิแต่ถ้าเมื่อไหร่ทําลายความเป็นปูทุชนไปแล้วมองลงมาจะพบว่า ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยมีแต่รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เกิดดับสืบต่อกันเป็นสายโซ่ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นเองนะนี่ก็อัศาจรรย์มากแล้วนะว่าเออธรรมะอย่างนี้ก็มีฮะตัวเราไม่มีนะมีคนหนึ่งนะ้าภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยๆตรงที่ใจมันแจ้งขึ้นมานะจิตมันอุทานขึ้นมาเลยนะว่าเอะจิตไม่ใช่เราเนี่นะ จิตไม่ใช่เราไม่เคยนึกไม่เคยฝันไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจิตไม่ใช่เราแต่มันเข้าไปประจักษ์นะจนมันตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะมันจิตมันอุทานขึ้นมาเลยว่าเออเ อ, อจิตไม่ใช่เรามีเอ้อด้วยนะเ อ, อจิตไม่ใช่เราเนี่ยอุทานเสียงดังเลยด้วยความตื่นเต้นในธรรมะที่ได้ไปสัมผัสว่าตัวเราไม่มีหรอกในสามโลกธาตุนี้ในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราเลยมีแต่สภาวธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อย ๆ, ๆ น, นี่ก็อัศจรรย์แล้วนะ ภาวนาต่อไปต่อไปยิ่งอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆอัศจรรย์มากกว่า น, นี้ไปภาวนาเอาเองนะครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ตอบคําถามที่ <c oughs> วันนี้ยังเทศได้ยาวครึ่งชั่วโมงแสดงว่าพวกเราเริ่มภาวนาดีแล้วนะ <c oughs> ถ้าใจเราไม่พร้อมจะรับธรรมะนะั้น <c oughs> เทศได้สองสามคำธรรมะนี้หมดเลยธรรมะกลัวมากเลยนะกลัวใจที่ปิดกั้น กาบนมัส ก, การค่ะหลวงพออ่อเริ่มฟังซีดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณปีกว่าแรกๆก็ฟังแล้วรู้สึกก็มีความเปลี่ยนแปลงจิตเบาขึ้นนะนะคะแต่ช่วงสองสาเดือนหลังนี้รู้สึกขี้เกียจแล้วก็เบื่ออย่างเดียวเลยค่ะเลยไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการกดเพ่งหรือว่าผิดกดน ะ, ะจิตยังกดอยู่ปล่อยมันซะจิตมันมันเหนื่อยไห เพราะคุณต้องมันต้องมีผัสสะใหม่ๆมาเร้าใจให้มันตื่นเต้นบ้างนะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์บางทีภาวนาที่เดิมนานๆแล้วชักเหนื่อยเนะื่อยท่านก็ออกเดินทุดดงไปเจอเสือเจอช้างนะใจมันแอคทีฟขึ้นมาใจมันเหนื่อยไปหน่อยนะแล้วอย่างหนึ่งอยู่กับโลกมันเหนื่อยเกินไปนะมันเหนื่อยมากไปนะมันเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแล้วเราควรจะ แนวไหนจริงๆที่เหมาะกับจริตของตัวเองอะคะของคุณนะก็ฝึกอย่างนี้แหละออกมากระทบกับโลกบ่อยๆหนะ่อยกระทบสัมผัสไปคุยกับคนน้้นบ้างคนนี้บ้างให้ใจมันเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกเอาช่วงนี้ไม่ควรปลีกตัวหลบไปอยู่คนเดียวหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำสมาธิทสมถะแต่สมถ า, านั้นต้องสมถะชั้นดีนะถ้าสมถะประเภทน้อมให้ใจซึมเ ง, งี้ยอย่างงี้ไม่เอานะสมถารู้เนื้อรู้ตัวไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะ ตรงนี้แข็งไปเมื่อกี้เนี่ยเราทำให้หลวงพ่อดูซิ้ทำสมถะทำแบบที่เคยทำเลยเออเ<ล>ทำอ<ะ>แบบที่เคยทำแหละแล้วจะบอกให้เนี่ยเห็นไมน้อมใจแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ตรงนี้เลิกซะเพราะทำอย่างนี้นั่นแหละมันถือไม่เกิดสติปัญญามันจะไปนิ่งนะนั้นต้องออกมากระทบอารมณ์นะเคลื่อนไหวไปเอาใหม่ทำไม่อย่าน้อมลงไปเริ่มน้อมลงไปแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ถอยขึ้นมาอย่าน้อมลงไป รู้สึกไหมจิตสายไปสายมาออให้รู้ว่ามันสายมันเป็นยังไงแล้วรู้มันไปเรื่อยๆมันจะรวมก็ให้มันรวมของมันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบขาดสติวูบลงไปนะถ้าน้อมไปงี้แล้วมันจะรวมแบบขาดสตินะสติจะอ่อนไปสติอ่อนนะแล้วก็ใจไม่ตั้งมั่นอย่างขณะ น, นี้จิตเกิดความสงสัยทราบไหมจิตเกิดความสงสัยก็มีสติรู้ทันลงไปรู้ลงไปอย่างนั้นเลยจิตแอบไปคิดทราบไหม ดูออกไหมจิตหนีไปคิดแล้วคิดนิดหน่อยค่ ะ, ะยังจะนิดหน่อยอีกคิดก็คือคิดนั่นแหละเนีน่ยให้รู้ทันลงไปนะเนี่ยรู้สึกไหมจิตเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่าให้มันนิ่งอย่าให้มันนิ่งนะที่ทํามามันนิ่งเกินไปมันน้อมเข้าหาความซึมก็กับที่ทํามานี่ไม่ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่อยากพูดอย่างนั้ น, นเดี๋ยวเสียกําลังใจพยายามรู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะ ออุณว่างๆ้าไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรที่บ้านอารีนะสงสัยบ้านอารีคงแตกสักวันหนึ่งใหม่คงรับไหวนะการเรียน น, นมัสการหลวงพ่ออยู่ห<ล>ไหนช่วยยกมือมองไม่เห็นผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วผมปิ้งปิ้งขึ้นมาแล้วผมก็หาซีดีหลวงพ่อฟังมาตลอดครับทั้งเวอร์ชั่นสารา ล, ลุงชินกับเวอร์ชันสวนสันติธรรมครับเหรอครับ มีหลายเวอร์ชันครับอันนี้ผมก็ฝึกมาด้วยฝึกแล้วผมมีความสุขทีนี้ผมฟังแล้วหลวงพ่อบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีนาทีทองผมก็จะมีอะไรนะนาทีทองในการดูจิตครับผมก็ตื่นนอนปุ๊บก็เริ่มดูจิตไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้มันนาทีทองใช่ไหมครับผมก็มเริ่มครับแล้วไงแล้วเห็นอะไรพอ เห็นก็เห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับเกิดดับไอตัวไอตัวที่เกิดตัวรู้พอเกิดตัวรู้ปุ๊บตัวที่แสดงกิริยาก็หายไปแล้วมันก็เหมือนกับมันมีตัวเดียวไหมครับถือว่ามีตัวเดียวบางทีละตัวมันมีตัวละตัวแต่มันเกิดไปเรื่อยๆครับมันดับแล้วก็เกิดแล้วตัวรู้ก็ดับครับแล้วเมื่อจะเกิดปุ๊บปมันก็ลาคาเห็นไหมตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ดับนะตัวคิดเกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับครับสังเกตไหมมันเกิดดับเอง สังเกตครับโยนิโสสมาธิการอะไรนี้ที่หลวงพ่อบอกเองฟังสังเกตไปเห็นไหมมันเกิดดับได้เองดูไปอย่างนั้นแหละครับดูยินใจต้องสงบแบบนั้นนะใจฟุ้งซ่านไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าทำความสงบขึ้มาบ้างก็ได้ก็ควรทำสมถะทิ้งไม่ได้จริงนะแต่บางคนที่ฝึกเบื้องต้นแล้วก็ติดแต่สมถะหลายปีติดสมถะนิ่งๆหลวงพ่อจะบอกว่าให้หยุดไปก่อน แต่เมื่อมาเจริญสติเป็นแล้วนะทิ้งสมถะไม่ได้หรอกก็ต้องกลับมาทําแต่คราวนี้จะทําไม่เหมือนเดิมแต่เดิมทําสมถะก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยบีบบังคับตัวเองผมพ่อทําหน้าให้โอเวอร์นิดนึงครับ <c oughs> พออย่างนี้ได้ที่ต่อไปก็น ะ, นะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะสมาธิอย่างนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นโมหะสมาธิเราก็รู้สึกตัวไว้รู้สึกรู้สึก ใจมันรวมเวลาใจมันรวมจริงๆนะไม่ขาดสติเลยนะมีสติตลอดสายเลยถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นไม่ใช่ฌานสมาบัติแล้วเอาว่าไปการนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ที่มาก็รู้สึกตื่นเต้นความจริงแล้วคือไมออ่ไม่ได้คิดจะตั้งคําถามแป๊บหนึ่งน ะ, ค, ะคนที่ถามคนแรกอะ่ะกลับไปอัดไว้ให้นิ่งอีกแล้วปล่อยซะเริ่มไปบังคับตัวเองให้นิ่งแล้วนะ รู้สึกไหมเห็นโลกธาตุเคลื่อนไหวตมีมีตัวหนึ่งข้างในเนี้นิ่งนิ่งอยู่ต้องปล่อยตัวนี้ใชอย่าให้เหลือตัวนิ่งนี้ไว้ในเวลาที่ทําวิปัสสนานะปล่อยให้ขันเข้าทํางานของเขาอย่าไปประคองรักษาอันแดนหนึ่งไว้ส่วนในเวลาทําสมถะนะให้รู้อยู่ในอารมณ์เดียวเขาฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆหมดแรงดิ้นแล้วเขารวมสงบลงมาเองแต่ไม่ใช่น้อมลงไปให้นิ่งอ้าว่าไป อ, อ, อยากจะมาฟังทำจากหลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการดูจิตยังไม่มีความชำนาญจึงอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะดูจิตเหรอดูจิตไปหัดอ่านหนังสือนะเรื่องหัดรู้หัดดู ม, มีมีหลายหลายเล่มใช่ไหมไปขอเขานะเบิอเขามีให้แต่ะมีนิดนึงนะคะ่ะคือว่าอย่างถ้าเกิดเรามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจากเวทนา เราจะทำยังไงให้เราไม่รู้สึกกังวลในเวทนานั้นและก็ให้รู้ทันจิตที่กังวลให้รู้ทันจิตที่กังวลนะไม่ใช่ไปฝึกยังไงให้ไม่กังวลคนละเรื่องกันเลยเราไปบังคับจิตไม่ให้กังวลไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่ว่าเมื่อจิตมันกังวลเรารู้ว่ากังวลความกังวลนั้นคือโทสะนั่นเองเราก็ต้องใช้หลักในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าบอกดุระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ มันกังวลให้รู้ว่ากังวลดูซิใครกังวลดูไปเรื่อยเรเราจะเห็นว่าความกังวลไม่ใช่จิตหรอกความกังวลเป็นสิ่งอื่นที่แทรกเข้ามาในจิตจิตเป็นคนไปรู้ว่ากังวลนะถึงตรงนี้จิตจะไม่กังวลและแต่ความกังวลอยู่ต่างหากนะค่อยค่ฝึกนักขันมันจะแยกออกไปที่เรารู้สึกว่าจิตกังวลนั้นความจริงเป็นสภาวะธรรมสองตัวรวมกันอันนึงคือตัวจิตอันนึงคือตัวกังวล ตัวกังวลเป็นโทสะเป็นเจตสิก ท, ที่แทรกเข้ามาในจิตถ้าเรารู้ทันนี่มันก็แค่เจตสิกกันหนึง่งมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับดบังคับมันก็ไม่ได้นะเพราะงั้นต่อไปนี้กังวลเห็นไปเห็นความกังวลเกิดขึ้นไม่ใช่จิตหรอกขนะอบคุณค่ะใช่เพิ่มขอบคุณนะยังงงอยู่เ อ, เอาไว้ไปอ่านหนังสือเพิ่มนะอ่านหนังสือ จริงๆแล้วง่ายนะเชื่อหลวงพ่อเถอะการภาวนาง่ายแล้วทําแล้วคุ้มที่สุดเลยหลวงพ่ออยู่ในทางโลกหลวงพ่อไม่เป็นรองใครหรอกนะในทางโลกทํางานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นไป40แล้วนะไหวเงินเดือนก็เยอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อยังเห็นมันไรสาระเลยเรามาภาวนาเราพบสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตเราชีวิตเราเต็มอิ่มขึ้นมาได้นะเมื่อเราอดทนนะค่อยๆศึกษาไปอย่างขณะนี้จิตเกิดปีติรู้สึกไหม จิตมีปีติรู้ว่ามีปีติเห็นไหมปีติเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมปีติเริ่มลดลงแล้วรู้สึกไหมออไปหานดูอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าดูจิตแต่ยังไม่ถึงจิตจริงหรอกอย่างนี้ดูเจตสิกไปก่อนกาบนรมาศการหลวงพ่อคะ่ะหนูพันธุตรวจตีหญิงสุมารประพัดเป็นติดตามคุณมาลีนะคะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ได้มาพบหลวงพ่อคือหนูมีความขัดแย้งในความคิดระหว่างหน้าที่การงานกับ กับธรรมชาติของแต่ละบุคคลคือหนูเข้าใจหนูเคยไปวิปัสสนามาได้ที่วัดการคือมันมีอาการหลุดไปเลยอย่าเอ่ยชื่อวัดนะอะไรนะคะบอกว่าอย่าเอ่ยอ้างสำนักโน้นนี้เดี๋ยวมันทะเลาะกันคือมันมีอาการหลุดไปเลยมันมันไม่มันไม่มีแขนมีขาเลยมันมีแต่จิตช่วงช่งช่วงช่วงนั้นนะคะ หนูมีอาการเบาสบายไม่มีอาการโมหะจริกแกคาอยู่สามวันแต่หนูหนูเข้าใจเข้าใจถึงอำนาจของพระพุทธคุณหนูก็ปฏิบัติมาตลอดแต่นี้พอเข้ามาทำงานเรื่อยๆเนี่ยระหว่างหน้าที่การงานคือหนูเป็นคนตั้งมั่นในความกระตัญยูคือแต่กระตันยูทุกทุกทุกอย่างที่ที่ที่ที่มีเลยใช่ไหมแต่นี้หนูไม่เข้าใจผู้คนว่าทาไมบางครั้งเนี่ยเออ คือหนูพยายามนิ่งเฉยแล้วนะคะทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าให้อภัยถึงสามสี่ครั้งแล้วก็ยังจะทําอยู่เพราะฉะนั้นหนุน้องเอ็ระหว่างที่หนูจะนิ่งเฉยเฉยพราะรู้ว่าแต่ละคนมีธรรมชาติของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะแต่หน้าที่นะคะคือหนูเนี่ยเป็นตํารวจเพราะฉะนั้นหน้าที่ในสิ่งที่หนูทําอะไรได้หนูต้องทําหนูก็เลยขัดแย้งกันนะคะในในจิตจใ จ, จถ้าภาวนาเป็นจะไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเราติดสมถะนะเราจะขัดแย้งกับโลกมากเลย ว่าเราอยู่แต่ในความสุขในความสงบเรามาเจออะไรที่ไม่สุขไม่สงบนะเราพร้อมที่จะโมโหนะเละอย่างถ้าเราทํำมิปัสนาเราจะเข้าใจตัวเองแล้วเราเข้าใจคนอื่นตอนนิยมยังไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจคนอื่นนะที่บอกว่าเราเข้าใจเข <c oughs> ้าใจยังเป็นการเข้าใจด้วยการคิดเอาเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆถ้าเราเห็นจิตของเราทํางานได้เองเราจะรู้เลยกระทั่งจิตของเราเรายัางบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับจิตของใครได้นะ แต่ในการหน้าที่การงานเราเป็นหัวหน้าเขาเราต้องปกครองต้องให้งานสําเร็จต้องให้คุณต้องให้โทษแต่ตัวสําคัญเราต้องดูใจตัวเองให้ออกอย่าให้เกิดอคติได้ถ้าเราดูใจตัวเองไม่ออกนะเราจะมีอคติเกิดขึ้นมีโดยโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นโยมฝึกนะรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้าโยมรู้ทันใจตัวเองโยมจะเข้าใจคนอื่นด้วยว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นทําไมเขาคิดอย่างนั้นบางครั้งมันมีเหตุผลเหมือนกัน นี้พระถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างโดยเรามีตัวเราเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะขัดแย้งกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ถ้าเรามองคนอื่นจากมุมของเขาเองนะเข้าใจมองด้วยความเข้าใจเราไม่ขัดแย้งหรอกแต่เราเข้าใจคนอื่นได้เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วนะเราะนั้นพยายามศึกษาใจของเรารู้สึกไหมใจขณะนี้โปร่งโล่งเบากว่าเมื่อกี้เห็น ไ, ไหมเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยอย่าเอาแต่สมถะนะที่ทํามาแต่เดิมมันเป็นสมถะ คามจริงหลวงพ่อเสียดายแทนนะถ้าคุณภาวนามาแนวที่เห็นกายแตกสลายไปแล้วเนะี่ยคุณเข้ามาถึงจิตนะคุณรู้จิตต่อไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งของคุณไปเพ่งจิตต่อถ้าคุณรู้จิตต่อไปคุณจะเห็นจิตทํางานมันจะเหมือนอันที่หลวงพ่อสอนทุกวันเนี้ยในสมาธิเราก็เห็นแต่จิตทํางานออกจากสมาธิมาเราก็เห็นจิตทํางานนั่นเป็นแนวทางเดินที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านก็เดินกันมาท่านดูกายจนกายนี้สลายหมดก็เหลือจิตก็เข้ามาดูจิต หลวงปู่หลุยท่านเรียกมังกายมังกายหมายถึงแยกมันดึงแขนไปข้างดึงขาไปข้างถามว่านี่เป็นวิปัสสนาไหมไม่ใช่นี่เป็นสมถนะพอดึงไปดึงมานะจิตรวมลงมารวมลงมานี่ได้สมถะแล้วรวมลงมาแล้วรู้ทันจิตต่อไปอีกนะนี่ดูดูความเปลี่ยนแปลงของจิตต่อไปไปเจริญวิปัสสนาไดนะ้ออกจากสมาธิมาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรานี่ทําวิปัสสนาอยู่นะ างั้นตรงที่ไปนั่งสมาธิแล้วร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังเป็นสมถะอยู่กับน้ำมาสการพระอาจารย์ค่ะหนูเป็นคนใหม่ค่ะซึ่งอยากจะพบพระอาจารย์มานานมากแล้วก็ยังไม่มีโอกาส อ, อ, อยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ก็คื อ, อ, อมีความ ร, รู้สึกว่าการกําหนดที่ยังไม่ต่อเนื่องบางๆางมย ม, มยอมยอ ม, มแป๊บหนึ่งนะ โยบที่เพิ่งส่งเงินบ้านไปยังเมื่อกี้มันจะน้อมเข้าหาความนิ่งความสงบเฉยๆไม่เอานะถอยขึ้นมาที่ทําจิตอย่าตะกี้ไม่ได้นะอย่างตะกี้ทําไปอย่างนั้นเราไปติดสมถะแล้วคราวนี้จิตขี้มโมโหมากเลยเข้าที่ไหนวงแตกที่นั่นอ่ะของโยมนะเชิญเชิญก็การกําหนดที่ยังไม่ต่อเนื่องบางครั้งมีโมหะเข้ามาอมก็จะฟังเรื่องทุกเรื่องที่ลูกน้องพูดก็จะคิดอยู่คิดอยู่สักแป๊บหนึ่งก็จะ กำหนดรู้ต่อว่าเราจะต้องเบาบางให้ความเมตตากับเขาแล้วก็จะเคลียรเรื่องไปให้มันจบไปด้วยการเมตตาเขาแล้วก็ให้มันจบไปแต่ว่าสติตามรู้เนี่ยมันยังไม่ต่อเนื่องหาพระอาจารย์สติไม่สามารถทําให้ต่อเนื่องได้เพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์สติเป็นอนัตตามีเหตุสติถึงจะเกิดไม่มีเหตุสติไม่เกิดบังคับไม่ได้ ท้าเมืไรจิตจําสภาวะอันใดอันหนึ่งแม่นนะพอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองเพราะ้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆถ้าเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆอย่างพอความหงุดหงิดใจเกิดขึ้นสติระลึกปั๊บมันหายทันทีเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเมตตาการุณาเกิดขึ้นมาแทนที่เลยนะอกุศลดับแล้วกุศลมันก็เข้ามาทํางานแทนเราไม่ต้องจงใจน้อมใจให้เกิดความเมตตา ทำไมเราต้องน้อมใจให้เกิดความเมตตาเพราะใจยังไม่ได้เมตตาจริงเราไปบังคับเอางั้นลองค่อย ค, อยคอยฝึกใหม่นะค่อยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนสติที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อสติที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมตตาการุณาอะไรพวกนี้เกิดเองเลยนะแล้วคราวนี้ใจเราเป็นกลางจริงๆแล้วเราจะปกครองคนได้ง่ายกว่าเก่าอีกแล้วพอเราร่มเย็นนะเราจะเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ร่มเย็นนกกามาอาศัยเราแล้วมีความสุข คนในองค์กรก็จะมีความสุขนะแล้วก็ทุกคนต้องรู้เป้าหมายไปทํางานในทิศทางเดียวกันช่วยกันทําถ้าคนไหนมันนอกรู้นอกทางต้องลงโทษไม่ใช่ไม่ลงโทษ น, นะดูด่าว่ากล่าวอะไรต้องทําพระพุทธเจ้าถึงบอกให้ชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรขม่มไม่ใช่ว่าให้ทํากับทุกคนเสมอการ น, นั้นเราปกครองบริหารผู้คนในนี้ใจเราต้องมีสตินะเมตตาการุณาอะไรนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นมา ค่อยๆสังเกตไปค่อยๆดูไปแล้วเข้าใจคนอื่นแล้วความเมตตามันเกิดขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะตัดสินอะไรเนี่ยจะไม่ต้องบังคับใจให้เกิดเมตตาเกิดเองแล้วตัวนี้เป็นตัวจริงใจเราจะร่มเย็นพอใจเราร่มเย็นนะใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขแล้วหลวงพ่อเคยเจอผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องคิดถึงลูกน้องอย่างเครียดเลยไม่ต้องเจอนะแค่คิดถึง <laughs> อย่างนี้มีนะ กลับละมัศการหลวงพ่อค่ะยมรู้สึกไหมจิตขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยรู้สึกไปอย่างนี้รู้สึกไปไม่ต้องกําหนดนะกำหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มแปลว่าบังคับให้ตามรู้ไปสติแปลว่าความระลึกได้ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆอย่ากําหนดละมัศการค่ะมีกี่คนแอสตันนี่สิห้เหรอตายระหว่า อ้าวว่าไปเอาย่อๆคราวนี้ครับกับน้ำมันสกัดนะหลวงพ่อคือผมจะมาส่งการบ้านด้วยนะครับที่จะได้รับคําแนะนําจากหลวงหลวงพ่อครับว่าขอให้ขอให้ผมพากายไปเดินนี่เยอะกายขึ้นไหวรู้ตัวหันซ้ายหันขวารู้ตัวครับอันนี้ผมก็ลองลองทําพอกายขึ้นไหวแล้วก็จิตมันก็จะตามตามไปรู้กายยกยกแขนมันก็จิตมันก็แนบกับการยกแขนเอาใหม่นะ ยกแขนนะเห็นแขนมันยกใจไม่แนบเข้าไปถ้าแนบเข้าไปนะกลายเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ตัวนี้กลายเป็นสมถะนะครับให้ใจมันอยู่ตาหากักเห็นแขนมันยกไม่ใช่เรายกแขนอ๋อครับแล้วก็คือผมว่าถ้าเกิดอยู่นิ่งๆครับจิตมันจะพุง่งซ่าแล้วก็จะมีโมหะโทสะและตัวราคามันจะมันแรงมากเลยครับแล้วก็ในตอนนี้ครับคือผมจะมี ให้ความเครียดในเรื่องงานแล้วก็กลับมาบ้านมันก็จิตมันแวบไปคิดเรื่องงานเผลอปุ๊บมันไปคิดเรื่องงานมันจนผมอยากให้มันจิตมันหายไหมหาอยากความคิดนี่ครับแต่ว่ า, ามันต้องใช้หลายวันนะครเราภาวนานะไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจนะครับ <c oughs> เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจ <c oughs> ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ <c oughs> ครับการที่เราอยู่บ้านจิตหนีไปคิดเรื่องงานทาั้งๆที่ไม่อยากคิดเราห้ามไม่ได้ เราก็รู้ทันไปว่าจิตหลงไปแล้วครับลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วพอมันไปคิดเรื่องงานเราหงุดหงิดเราก็รู้ทันว่าหงุดหงิดครับงั้นดูลงปัจจุบันใจของคุณน่ะไปปฏิเสธความจริงจิตมีหน้าที่คิดนะคุณจะไม่ให้มันคิดไม่ได้นะหลวงพ่อครับแล้วตะกี้อยากจะถามอีกอย่างแล้วมันลืมไปครับอย่างครับนี่มันคิดอยู่ครับอะไรนะหลวงพ่อฝังไม่ค่อยออกคุณเอาไม้คุณช่วยยกไม้แบบนักร้องเออ หลวงพ่อครับคือแล้วที่ผมปฏิบัติอยู่นะตอนนี้จะถูกต้องหรือเปล่าครับเออพอใช้ได้แล้วนะแต่คุณอย่าไปบังคับตัวเองนะอ๋อใช่มันตรีทุกวันนี้บางทีต้องบังคับมันเหมือนว่ามันแข่งแข่งทื่อๆใช่ถ้าบังคับแล้วมันจะแข็งแข่งทื่อๆตัวมันจะเกรงนะครับคุณเอาแค่เท่าที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะนะครับไม่มีก็รู้นะครับผมให้รู้ลูกเดียว อ๋ครับแล้วผมควรใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่啊ครับของคุณดูจิตไปเลยจิตของคุณมันแกว่งเหมาะกับการดูดีอ๋อครับแล้วกายนี่ก็ต้องยังยังยังต้องดูต่อไปด้วยใช่ไหมครับกายน่าต้องดูนะถ้าไม่รู้เลยเดินตกสะพานตกอ๋อใช่ใช่ใชครับนะหลวงพ่อครับแล้วสุดสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมผมต้องเอ่อทำสมถะได้ไหมครับของคุณตอนนี้เว็นไปก่อนนะของ ค, คุณไปเดินจงกรมดีกว่า เคลื่อนไหวไว้พยายามเคลื่อนไหวพยายามกระดุกกระดิกแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจของเราเป็นคนดูครับเห็นใจมันคิดใจเป็นคนดูความคิดอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากเห็นกิเลสอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากคราเดี๋ยวต้องใช้ใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่อะครับดูจิตไปจุดจิตอย่างเดียวใช่ไหมครับครับเพระของคุณเป็นนักคิดอาชีพนะดูจิตไปก่อนครับมันขอบว่าคุณอย่างมากเลยนะครับเอาไปันต่อไปนะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ วันนี้จะขออนุญาตมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะเจ้าค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาก็สติเกิดบ่อยขึ้นอืมแล้วก็หลบแล้วก็พยายามที่จะรู้แต่บางวันนี่ก็คือโมหะมันครอบมันเหมือนไม่ได้เหมือนมีอะไรหนาๆไม่ทราบแล้วมันดูไม่ได้ก็พยายามไปดูการเคลื่อนไหวดูเรียบหมดคุณรู้ที่ใจไม่ชอบให้รู้ที่ใจไม่ชอบโมหะนั้นนะะใจไม่เป็นกลางละเจ้าค่ะ ถ้าถ้าเรารู้ทันโมหะด้วยใจที่เป็นกลางโมหะก็จะดับไปเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ถ้าเราเกลียดโมหะอยากให้โมหะหายนะนอกจากโมหะจะไม่หายแล้วโทสะยังจะเกิดอีกเจ้าค่ะให้รู้ลองอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันดูอะไรไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วรู้กายก็ไม่ได้รู้จิตก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่รู้เรื่องนะก็ทําความสงบเข้ามาเจ้าค่ะทำสมถนะเจ้าค่ะมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับหายใจอยู่กับท้องฟองยุบอะไรก็ได้ที่เคยทํา หลวงพ่อเจ้าคะแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีมีเหตุการณ์แรงๆเข้ามาอย่างนั่งรถไปแล้วมันเหมือนจะมีอุบัติเหตุนะคะแล้วตัวเองตกใจมากแล้วก็อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองตกใจเออนั่นแหละแล้วความรู้สึกนั้นมันมันเบาๆแล้วมันก็หายไปนั่นแหละเวลาที่เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อนะเวลารถคว่ำรถหงายเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรสักคนหนึ่งสติมันดีไม่ใช่หลวงพ่อขังนะ บางคนบอกว่ารูปหลวงพ่อศักดิก์สิทธิ์มากรถหมุนไปหลายตลบทำยิงสติมันเกิดเห็นไหมมันตกใจสติเห็นความตกใจปั๊บใจตั้งมั่นเลยเจ้าค่ะนั่นแหละฝึกไปคือหลายครั้งที่รู้ว่าบางทีขับรถอยู่ก็รู้ว่าคิดก็รู้ไปสดๆเลยว่าเมื่อกี้เพิ่งคิดมันมันเห็นความคิดแต่สงสัยต่อค่ะหลวงพ่อค่ะว่าเอ๊ะเราต้องมาสรุปไหมว่าไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องสรุปนะให้จิตเขาสรุปของเขาเองไม่ต้องไปช่วยเขาสรุป ไม่ต้องกลัวจิตโง่คือพยายามฝึกไปใช่ไหมะว่าอย่างเรู้สภาวะโกปัจจุบันไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแค่นั้นพอละอไปคนต่อไปขอบคุณเจ้าค่ะมีไหมจับเรียงกันไว้หรือเปล่าวันนี้อ๋อวันนี้เรียงเหรออาการย์หลวงพ่อค่ะลูกมานครั้งแรกเลยค่ะดีใจที่ได้มาได้พบอาจารย์ใจลอยปแลวใจลอยละรู้สึกไหมค่ะ ดีใจแล้วก็เลยใจหนีปุ๊บขึ้นหลังคาไปเลยเนี่ยคอยรู้ลงไปเลยไะ้อดีตก็ไม่มีอะไรนะค่ะหลวงพ่ออืมหลวงพ่อก็ว่างั้นะเวลาทำกรรมฐานหรือสวนมนต์กลางกลางวางเฉยๆได้ค่ะไม่เรียนแม่อะไรเอางี้ต่อไปนี้ไปสวดมนต์มากๆนะไปสวนมนต์แล้วก็สังเกตใจ อะรหัางส้ำมาใจหนีไปคิดแวบรู้ว่าใจหนีไปคิดรู้สึกไหมเวลาสวดมนต์อ่ะมันหนีบ่อยนั่นแหละไปสวดมนต์แล้วก็ไปนับดูว่าวันนี้หนีกี่ครั้งพรุ่งนี้สวดอีกนะแล้วไปนับดูว่าหนีกี่ครั้งอา้าวไปให้กันบ้านแล้วไปทำเอานะมาต่อไปกลับนาะมสกันหลวงพ่อนะคะ คือตัวหนูเนี่ยเข้าใจว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นการทำสมถะมาโดยตลอดใช่แล้วก็เหมือนกับว่าก็เลยเริ่มเริ่มมาตามดูมตามดูนี่รู้สึกาบางทีเรามีปัญหานิดหน่อยเนี่ยเราตามดูได้อย่างสบายสบายแต่พอปัญหามันเริ่มสเต็ปมันเริ่มมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันหนักทั้งทั้นที่เรารู้ว่ามันผิดทางแต่ว่ามันก็ยังหนักหนูก็เลยเปลี่ยนไปทาสมถะมเหมือนที่เคยทามันก็หนักไปอีก หนูก็เลยไม่รู้ทาไงก็เลยนอนซะเลยแล้วก็เลยลุกกลับขึ้นมาทำใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ไม่มากมันจะไปไปมาการนอนนั่นก็เป็นวิธีต่อสู้อย่างหนึ่ง <c oughs> นะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าโยมมายุกับท่านมากท่านเหนื่อยหลวงพ่อคืนท่านเหนื่อยนะสอนสอนเสร็จแล้วพโยมไปนะท่านบอกท่านไปงีบซะหน่อยตื่นขึ้นมาสดชื่นมาดูต่อง่ายเราก็ต้องดูตัวเองนะ แต่ไม่ใช่เอาตรงนี้เป็นข้ออ้างนอนทั้งวันเลยนะเพื่อจะได้ดูง่ายดูไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อยากกลับถามอีกสองข้อนะคะคือว่าการปฏิบัติแบบไหนที่ตรงกับของคุนะของคุณจิตมันทำสมาธิมามากแล้วของคุณก็ออกมารู้กายเลยเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆใจของเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะคือเราจะขจัดความเรารู้ว่าใจกับจง เนี่ยมันไม่ดีต่อการตามดูใช่ไหมคะจะขจัดตรงนี้ยังไงเพราะเราจะตั้งใจทุกทีเลยมันไม่มีแล้วมั้งเพราะเราจะจะจะตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่เราจะทำอะ่ะก็เลยอยากจะขจัดตัวนี้ว่าทำยังไม่ออกตั้งใจอะไรก็ไม่รู้อ้าวใครส่งจิตไปที่อาจารย์หน่องมั้งที่ถือไม้เฟตะกี้รู้สึกไหมใจเราไหลไปอยู่ที่เขาทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้น่าดูสักนิดเลย าว่าไปคือเวลาเราตามดูเนี่ยค่ะบางทีเรารู้ว่าเราไม่ควรจงใจไม่ควรที่จะจ้องตั้งใจแต่มันอดไม่ได้ค่ะบางครั้งอดไม่ได้เพราะเวลาเราทําสมาธนะเราไปจ้องจ้องจ<อ>นเคยชินแล้วเราจะขจัดตรงนี้ได้ยังไงคะไม่ขจัดนะเวลาฝึกสมาธิอยู่อย่าน้อมใจลงไป ห, หาความซึมของคุณเวลาทําสมาธิจะน้อมเงี้ยน้ําลงไปอย่างเงี้ยมันจะซึมอยู่เรื่อยๆนะใช้ไม่ได้ พยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆจนใจมันตื่นอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ได้เยอะๆเนี่ยรู้สึกไหมขนาดนี้ตื่นมากกว่าต่กี้แล้วเห็นไหมพอมันตื่นให้มมันจะสว่างขึ้น ม, มันจะโล่งขึ้นมาน้นมให้ซึมไม่ได้น ะ, ะเดินปัญญาไม่ได้อ่ะต่อไปกับนวัสกาหลวงพ่อคะ่ะหนูขอสองคำถามคะ่ะหนูไม่เคยถึงถึงวิธีการปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะ ไม่เคยไปเข้าคอที่ไหนเลยขณะที่ภาวนาเนี่ยก็จะรู้อย่างเบาๆรู้ว่ารู้ว่าจิตไหลจิตไหล เ, เป็นเป็นเรื่องบ้างแล้วก็หยุดค่ะแล้วทีนี้นานบ้างไม่นานบ้างทำได้นานบ้างไม่นานบ้างค่ะพออึดอัดก็จะก็จะหยุดภาวนาเลยมไม่ไม่ทราบว่าของของคุณนะกาลังของจิตใจมันตั้งมั่นน้อยไปนิดนึงแต่มันฟุ้งเยอะไป นะทําความสงบบ้างนะปฏิบัติในรูปแบบบ้างเช่นไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็รู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆนะดูจิตอย่างเดียวเนี่ยแรงไม่พอนะพยายามมารู้สึกที่ร่างกายมากๆหน่อยอย่างร่างกายขณะ น, นี้ยืนเดินนั่งนอนใช่หไหมเม้มปากอะไรเงี้ยคอยรู้สึกแต่ว่าไม่ไปจ้องไว้นะแค่รู้สึกรู้สึกสบายๆรู้สึกเหมือนร่างกายอยู่ห่างๆใจเราดูเป็นดูอย่างสบายๆ นี่ตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมทราบค่ะเ น, นี่ยของคุณดูจิตได้แล้วแต่ว่าแรงมันไม่พอนะสมถะมันไม่พอสมาธิมันอ่อนไปนใจไม่ตั้งมั่นพอเพรา ะ, ะนั้นคุณต้องมาดูอารมณ์ที่ห ย, ยาบๆบ้างอารมณ์ที่หยาบก็คือร่างกายนี่เองเราะฉนั้นรู้สึกที่ร่างกายบ้างแล้วหนูรู้สึกว่าหนูจะมีอนุัยของความโกรธเยอะค่ะเออนะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ อยู่ที่เฉยโกรธตัวเองก็มีโกรธที่ตัวเองโกรธไปอย่างเงี้ยเออนะให้รู้ทันไปเรื่อยๆอันนี้คือดูจิตหรือเปล่าคะใช่แต่ว่ารู้ร่างกายไว้ด้วยนะใจจะได้มีกําลังรู้สึกไหมจิตขณะนี้มีแรงมากกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออแต่นี่มันไม่ใช่แรงของเรานะมันแรงเพราะว่ามามองหน้าหลวงพ่ อ, เ, อ, อเราต้องไปรู้สึกร่างกายเราไว้หลวงพ่อคะเวลาภาวนาในภาาวนาในใรูปแบบะอะค่ะรู้แบบเบาๆ ร, รู้ว่ารู้ว่าจิตคิดแต่ส่วนใหญ่มันจะไหลออกมาเป็นไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มาต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องค่ะอืออก็ถูกแล้วล่ะจิตมันก็ทํางานของมั น, นอย่างนั้นแะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องที่จะไหลเนี่ยก็จะเห็นไหวๆค่ะนั่นแหล ะ, ะ ไ, ไหวๆมันคือไหลแบบอ่อนๆนะมันก็คือไหวปฏิบัตแบบนี้พอจะได้ไหมคะหลวงพ่อใช้ได้ใช้ได้ค <พอ S 1> น<พ> อ, อื่าทำอื่นๆไม่เป็น อ, อพยายามเนี่ยเมือเ่อกี้สั่นหน้ารู้สึกไหม <laughs> แเมื่อกี้เราลืมไปตอนเราสายหน้าเนี่ยน ะ, อ, ะอาไปให้คนอื่นบ้างมีไหมน้มัสการหลวงพ่อค่ะ จริงๆก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็สมมติว่าเมื่อก่อนทําสมาธมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นจิตเราฟุ้งเนี่ยอัตโนมัติเลยมันจะดึงมาให้เราต้องพยายามสงบนิ่งหรืออีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราสมมติมีอะไรมากระทบอ่ามองเห็นและอุิลจะ ช, ชนกันแล้ตกใจแต่ใจก็จะนึกต่อว่าเออก็เป็นธรรมดาโลกก็เลยกําลังนึกว่ามันเรารู้สึกตัวจริงๆหรือว่าเราบอก<น>ตัวเ อ, ง, องในขณะที่ตกใจรู้ว่าตกใจในขณะนั้นรู้ ถัดจากนั้นเออเป็นธรรมดาโลกอันนี้จิตฟุ้งซ่านเพราะว่าคือกําลังนึกว่าเหมือนกับเคยฝึกอยู่ที่หนึ่งเขาจะบอกว่าเรารับรู้แล้วเราต้องวางอุเบกขาต่อด้วยอุเบกขาเกิดจากอะไรอุเบกขาเกิดจากสมถะก็ได้ถ้าจงใจวางอุเบกขาก็เป็นสมถะถ้าเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับบ่อยๆนะจนรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะอุเบกขาเพราะปัญญาตัวที่เราต้องการอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาด้วยปัญญา ปัญญาเกิดจากการเจริญสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่หลวงพ่อมองเห็นใช่ไหมหลวงพ่อบอกได้ไหมคะว่าปฏิบัติเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคนะใจนะใจนะมันยังเคยชินกับการกําหนดไว้การบังคับไว้ต้องเลิกซะแต่ว่าอยู่ๆจะเลิกเนี่ยไม่ได้เพราะมันเคยชินอย่างนั้นนะออกมากระทบกับโลกนะมาหางานอะไรทํา กระทบกับโลกมากๆกระทบทัสสะบ่อยๆแล้วให้ใจมันไหวขึ้นมาใจของคุณนะถ้าปล่อยออกมาเมื่อไรนะมันจะขี้โมโหร้ายกาดที่สุดเลยนะปล่อยออกมาแล้วมันจะร้ายแล้วก็มีสติตามดูไปไร้่อๆนะมันจะค่อยๆเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมากขึ้นใจของคุณประคองมากไปหลวงพ่อคะอันนี้นอกเนือ<ม>รู้สึกไหมใจขนาดนี้เคลิมไปตอนที่คิดจะคุยกับหลวงพ่อเนี่ยมันปรุงแต่ง ทำใจให้อ่อนๆขึ้นมาอม น, นอกจากเรื่องนิดนึงนะคะหลวงพ่อพอดีจะคลอดลูกอาทิตย์หน้าแล้วอะค่ะหลวงพ่อวพอวยพรหน่อยได้ไหมคะเหรอ <c oughs> หลวงพ่อยังท่องคาถาพระโมกข์ไอ้พระอะไรองค์ุลีมานไม่เป็นจะวอวยพรไงหลวงพ่อก็ไม่เคยออกลูกไม่เคย <c oughs> <c oughs> แถมไม่เคยมีลูกด้วยนะเอาน่าไปออกลูกไม่เป็นไรหรอกหมอมันเก่งเดี๋ยวนี้ <c oughs> ยังไงมันก็ต้องออกอะขอบคุณค่ะธรรมสการค่ ะ, ะอาจารย์คือหัดเพิ่งหัดดูจิตมาพอใช้ได้แล้วนะ MM. ที่ฝึกอยู่อ ะ, ร, ะอรู้สึกไหมเห็นกิเลสบ่อยๆรู้สึกรู้สึกไหมร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งยังค่ะนะก็ค่อยดูไปนะค่ะเห็นไหมทุกอย่างเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละภาวนาเป็นละอ๋อค่ะ แล้วบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเฉยมากเลยอะรู้สึกอะไรนะรู้สึกว่าเฉยเฉยอะค่ะไม่เป็นไรเฉยเยรู้ว่าเฉยนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะค่ะแล้วบางบุาคละก็รู้สึกอ ย, อย่างจิตที่เฉยๆยะถ้าจิตเหมือนตอนนี้ จ, จะเฉยเพราะประคองไว้นิดหนึ่งโอเะนะถ้าไม่ประคองไม่เฉยหรอกค่ะเราเมื่อเช้ามีความรู้สึกว่าพอตื่นมาปุ๊บใจมันท่องว่าออกายนี้เป็นทุกข์ ทุกล้น้วนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นขึ้นมาเองใช่ไหมนั่นจิตมันสอนธรรมะก็ฟังไปงั้นแหละฟังเล่นๆจิตยังไม่เชื่อค่ะใช่ใช่ไม่เชื่อหรอกค่ะถ้าเชื่อได้พระอนาคาคา่ะอ่ตอบไปขอบคุณค่ะเหลือสามคนใช่ไหมแอสตันอ่าสู้ตายมาตอนนมาสการเจ้าค่ะลูกมีข้อสงสัยค่ะคือเวลาที่เราเห็นจิตนะคะ มันจะไม่ได้ตั้งใจเห็นเวลาเห็นเห็นขึ้นมาเองแล้วก็ปล่อยไปค่ะแต่ว่าเวลาเห็นกายอะค่ะมันมักจะเห็นได้ต่อเนื่องกว่าถูกต้องเพอะไรเพราะกายรูปมันอายุยืนจิตมันอายุสั้นถูกต้องคือมันเหมือนมีตัวนิ่งๆแล้วมีความจงใจดูอยู่ความจงใจนี้มันจะส่งผลให้เราประคองมากขึ้นหรือเปล่าคะหลวงพ่อให้เรารู้ทันว่าจงใจค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจต้องเรียนร่วงจิตซะก่อนบทเรียนที่หนึ่งชื่อศิลสิกขา บทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขานี่ของคุณดูจิตได้แล้วเห็นไหมจิตไปประคองรู้ว่าประคองคุณเริ่มสังเกตไหมเวลารู้กายเรารู้ลงปัจจุบันเวลารู้จิตเรารู้ตามหลังนั่นแหละรู้ถูกต้องแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่เราคุณเห็นอยู่แล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่ว่ายังปล่อยวางไม่ได้เห็นแล้วว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมเห็นแล้วว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่าง วิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเผลอเมื่ อ, อไหร่นะมันก็ขย้าเอาค่ ะ, ะคือถ้ารู้ว่าจงใจก็แค่รู้ไปใช่ไหมใช่ใชดูเป็นแล้วนะดูเป็นแล้วดูต่อไปอีกเจ้าค่ะครับอ้าต่อไปการสมาธิการครับพอาจารย์คือผมว่าผมตัดโรคกดลงนะผมว่าผมก็ตัดได้เยอะนะครับอืมเพราะว่าปฏิบัติมาก็พอสมควรนะครับทีแรกก็จะเป็นสมถะอเพิ่งจะมา ปัจจตังตรงวิปัสนาตรงที่วานั่งแล้วผมเคยนั่งแล้วสมาธิก็วูบไปเลยนะคือสว่างเฉยๆนะฮะอย่าง้นสมถะครับพอเที่ยวหลังนี่ผมนั่งผมจะรู้ตัวโซผอมตลอดนะสมาธิครับอก็ถึงปัจจตังเวลาเวลาทำวิปัสสนานะไม่ใช่แค่นั่งแล้วรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่แค่นั้นยังไม่พอนะต้องรู้สึกด้วยว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะต้องขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง เห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราหรอกเราดูเหมือนดูคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยดูอย่างนี้นะลำพังเห็นว่าตัวนี้นั่งอยู่อย่างนี้มันยังเป็นเรานั่งอยู่ดีนะค่อยๆฝึกดีแล้วกับนมาสการหลวงพ่อครับผมได้ไปปฏิบัติธรรมมิปัสนาที่เจัดวันนะครับกลับมาแล้วมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งก็ก็กลับมาแล้วเล่าให้เพื่อนที่ปฏิบัติฟังเพื่อนบอกว่าให้รู้ แต่ผมก็ยังไม่รู้เพราะผมยังไม่รู้อะไรเกิดขึ้นตัวนะครับคราวนี้กลับมาแล้วก็พยายามหาแนวทางในการปฏิบัติจนได้เพื่อนได้ให้ซีดีมาของท่านอาจารย์ให้ผมฟังนะครับแต่ผมก็ยพยายามปฏิบัติแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ากําหนดจิตนั้นกําหนดอย่างไรครับไม่กำหนดไม่ต้องกําหนดใช่ไหมครับสติไม่ได้แปลว่ากําหนดนะสติแปลว่าความระลึกได้เรารุ่นหลังนี่แหละชอบมาแปลสติว่ากําหนดกําหนดเนี่ยมันต้องจงใจกําหนดใช่ไหม จงใจกําหนดเรียกว่ามีโลภะเจตนาเมื่อไรโลภะเจตนาเกิดนะมันจะเกิดการทํางานทางใจขึ้นมาเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมางั้นเราไม่กําหนดแต่เราตามดูไปเรื่อยๆโกรธขึ้นม า, แ ล, า, ms, นมาแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภใจลอยหลงไปรู้ว่าหลงไปเอย่าตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจมันหลงไปหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงตามดูไปเรื่อยๆนะ แล้วแนวทางที่จะให้ผมปฏิบัติต่อไปนี้คือแนวทางไหนครับของคุณต้องหยุดอันเดิมไว้ก่อนนะอันเดิมคุณกําหนดมากไปจนจิตติดนิ่งแล้วต้องเลิกซะถ้าจิตนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่มีไตรักษณ์ให้ดูต้องปล่อยให้มันทํางานอย่าตอนนี้มันไปคิดแล้วทราบไหมทราบครับเออไปคิดแล้วก็ปล่อยมันเนี่ยของคุณพอรู้ว่าไปคิดคุณกดปั๊บเลยคุณนึกออกไหมออมันมีสามจังหวะอันแรกหลงไปคิดอันที่สองรู้ว่าหลงไปคิดอันที่สามไปเพ่งเอาไว้เลยกําหนดไว้ ตัวที่สามเนี่ยคือตัวที่เกินมาไม่เอานะกาขอบพระคุณครับในมาตการค่ะหลวงพ่อไหนๆหนไหนอ๋อคือลูกเริ่มฟังซีดีมาประมาณเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่ามารู้ตื่นเอาตอนประมาณช่วงกรกฎาค่ะคือเห็นความโกรธที่รุนแรงแล้วก็จะเห็นความยินดีแล้วก็มีอยู่ ช่วงเดือ น, อนกรกฎา ก, ก็ได้มานำมาสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็พอดูดูไปช่วงนั้นมันหัหววากจ็จะรู้สึกว่ามั น, มนตื่ น, ม, นมันเห็นชัดนะคะแต่พอหลังๆนี้มามันจะรู้สึกว่ามันเบาๆลงตัวนี้แรงเราไม่พอละนะกับหลังไม่พอคุณต้องทําในรูปแบบบ้างนะคไ ะ, คะทําเดินจงกรมอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกน ะ, ะแรงไม่พอละ แรงไม่พ อ, อ ม, มันเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วแต่จะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้กายดูรู้กายได้ได้ไ ด, นะได้ง่ายน <ะ S 1> ั่นแหละร่างกายเคลื่อนไหวคุณเคยรู้สึกไว้มันจะได้กําลังขึ้นมาคดูจิตไปรวดเดียวเลยนะถ้าไม่เคยทําสมาธิมา ก, ก่อนพอดูจิตไปนานๆเมื่อที่หมดแรงพอหมดแรงแล้วเหมือนดูจิตอยู่แต่ว่าดูไม่ถึงจิตแล้วค่ ะ, ะไปต่อไปกับนวัสการของพ่อครับเ อ, อผมฝึกตามซีดีแล้วก็ ซื้อหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งมาครับทำไมต้องซื้อเขาก็แจกกันเยอะแยะก็ก็เพิ่งฝึกได้4เดือนนะครับก็ไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องที่ปฏิบัติก็ฟังซีนแล้วก็เห็นคนเห็นกิเลสไหมวันวันหนึ่งเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมแล้วความทุกข์เห็นแต่อะไรนะก็ครับเห็นอะไรนะความทุกข์ครับอ๋อความทุกข์ก็หลวงพ่อบอกว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นนะก็รู้ไป พอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะบถ้าใจเราเฉยเฉยให้รู้ว่าเฉยเยวันนี้ตั้งใจจะส่งการบ้านหลวงพ่อเนี่ยต่อไปอีกนิดนึงครับพอเราไปรู้อะไรเข้าก็ตามจะรู้สุขรู้ทุกข์รู้อะไรก็ตามนะถ้าใจเรายินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้าใจเรายินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันเติมตรงไปอีกนิดนึงนะ ร, รู้ทันเข้ามาให้ถึงใจมีอีกไหมหมดแล้วนะ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 ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนตีสักขะหลังเอวเมวายโตทินัางเฟตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันรสโอยาถามณีโชติราโสยาถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาสู้ตายอย่าเสียชาติเกิดนะต้องทำ